กามังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมอาจารย์ยอดราย ง, งานตัวครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องพระอาหารหันต์เจ็ดขวบให้ฟังนะครับคือวัฒ น, นธรรมทางความคิดในทางพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธเชื่อถือกันมานานวัฒนธรรมบุญตักบาตรกับพระที่มีอายุพรรษามากนี่จะได้บุญมาก เนื่องจากเข้าใจว่าพระที่มีพันสามากเนี่ยจะมีบุญบา ร, รมีมีตบะแก่กล้าเมื่อทําบุญกับท่านก็จะได้บุญมากเป็นพิเศษความเข้าใจแบบนี้ไม่ใช่จะเกิดขึ้นเฉพาะในปัจจุบนันนี้แม้ว่าในครั้งพุทธกาลก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีคนไม่ต้องการจะทําบุญกับพระหนุ่มเน่นน้อยแต่ว่าเจาะจงเฉพาะหลวงตาแก่ๆเท่านั้นะ่ะจนนําไปสู่เรื่องราวที่คาดไม่ถึง กลายเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดความเข้าใจครั้งใหญ่ขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลครับมีครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่กันแค่สองตายายคือหนึ่งยายก็เกิดความคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําบุญตักบาตรแก่ก็ตื่นแต่เช้าเพื่อจะเตรียมหุงหาข้าวปลาอาหารแล้วก็บอกกับตาซึ่งเป็นสามีให้ไปนิ ม, มนต์พระมาสีรูปเพื่อรับบิณฑบาต ท, ที่บ้านแต่มีข้อแม่ว่าตา นี่แกไปนิมนต์พระที่วัดมาสี่รูปนะอย่าลืมนะนิมนต์เฉพาะพระอาหุโสนาหลวงตาแก่ๆเท่านั้นนะพอตาไปถึงวัดก็แจ้งความจํานงขอนิมนต์พระหลวงตาแก่ๆสี่รูปแต่บังเอิญพระหลวงตาไปกิจนิมนต์กันหมดเหลือแต่สามเณร น, น้อยวัยเพียงเจ็ขวบอยู่สรูปก็คือสามเณรสังกิจจะสามเณรบัณฑิตสามเณรโส ป, ปากะแล้วก็สามเณรเรวตะ ซึ่งสามเณรน้อยทั้งสีรูปนี้ล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ส่วนยายอยู่ที่บ้านก็จัดเตรียมการต้อนรับรอไว้อย่างดีพอเห็นตาพาเนร น, น้อยมาก็โมโ oh หเรียวกราดบนพื้พำอาการไม่ต่างกับโยนเม็ดเกลือลงไปบนกองไฟเปีย๊ยเปียเป๊ ย, ยแกนี่มันแก่แล้วแก่เลยจริงเจงไม่มีความคิดความอ่านเอาเสยเลยไปพาเด็กรุ่นราวคราวหลานมาทำไหมฮะ พามาทำไมยายไม่ยอมให้สามเณรนั่งบนอาสนะพระด้วยแต่ปูเสือให้นั่งกับพื้นแทนแล้วก็เสียงแข็งสั่งตาให้ไปนิมนต์มาใหม่โดยยืนยันถึงพระที่ต้องการจะทำบุญมีเพียงแบบเดียวคือนิมนต์พระหลวงตานะจำไว้พระหลวงตาตาก็ต้องย้อนกลับไปที่วัดไปเจอพระสาวกทั้งสองรูป ซึ่งกลับมาจากรับบินธบาตพอดีก็เลยนิมนต์ให้ไปรับที่บ้านอีกท่านทั้งสองรูปก็อนุเคราะห์ไปรับให้แต่พอไปเห็นสัมมาเนนนั่งอยู่ก็ทราบว่าสัมมาเนยนยังไม่ได้ฉันอาหารเลยถ้าท่านขืนอยู่รับพระทหารที่นี่เนนคองอดแน่ท่านก็เลยกลับวัดไปพอยาเห็นอาการอย่างนั้นก็งงก็บอกตาให้ไปนิมนต์มาใหม่สงสัยจะไม่อยากจะฉันละมั้ง ไม่ต้องงอ้อหรอกไปหาพระหลวงตารูปอื่นมาไปส่วนสามเณรที่มารอตั้งแต่เช้ายายนี่ไม่ได้ถวายอะไรให้ฉันเลยก็ได้แต่พากันนั่งคอยตาปรบไปเปรบอยู่งั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นกับผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บรรลุอรหันต์แล้วเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ไม่อาจจะทนเห็นสภาพแบบนั้นได้ก็เลยแปลงกายเป็นหลวงตาแก่ๆให้มีลักษณะตรงใจยายมากที่สุดนะนั่งอยู่ที่บนหอฉันที่วัดตาไปวัดไปเจอก็ดีใจเออคราวนี้แหละยายแก่นะคงจะพอใจแน่ๆ น, นะตาก็รีบนิมนต์หลวงตาแก่รูปนั้นให้ไปรับบิณฑบาต ท, ที่บ้านยายก็เกิดความพิติยินดีปรีดาเป็นล้นพน้นพอเห็นหลวงตาพาหลวงตาแก่ๆมาก็รีบออกไปต้อนรับ นิมนต์ให้นั่งบนอาสนะที่ปูซ้อนทับกันถึงสองชั้นแต่เหตุการณ์ที่สองตายายไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือเมื่อหลวงตาซึ่งเป็นเท้าสักกะแปลงมาเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านคุกเข่าก้มลงกราบสัมมาเนนทั้งสี่รูปด้วยเบญจังขปดิศแล้วก็ไปนั่งในท่าขัดสมาธิที่พื้นนั่งกับพื้นด้วยไม่ได้นั่งบนเสือด้วยถัดจากเสือของสัมมเนนออกไป พอสองตายายเห็นสิ่งที่หลวงตาทำก็ถึงกับอ้าปากค้างมองหน้ากันยายนโมโหตะโกนลั่นออกมานี่มันอะไรกันเนี่ยหาแย่จริงๆนีแ่แกไปพาพระบ้าพระบ้ะบองมาทําไมดูซิเป็นพระอาวุโสขนาดนี้แล้วกลับไปไหว้สา ม, มนเณรรุ่นลูกรุ่นหลานไร้สาระจริงๆริงไม่มีประโยชน์ไล่หนีไปตายายก็ช่วยกันฉุดกระชากลากถูทั้งแขนทั้งขาหลวงตาจําแรงให้ออกไปจากบ้าน เอามือทุบไปที่หลังพร้อมกับตะเพิดไปไกลๆเท้าส ก, ก่าเห็นว่าขืนปล่อยไปเรื่องก็จะยาวก็เลยแสดงตัวตนที่แท้จริงตักเตือนให้สองตายายได้รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรก็สร้างความตกใจให้กับคนทั้งสองไม่น้อยเมื่อสองตายายเกิดความกระจ่างึงยอมถวายอาหารบิณฑบาตแก่สมเณรทั้งสี่รูปนั้นเมื่อฉันพรตทหารเสร็จแล้วสมเณรทั้งสี่รูปก็ได้แสดงอิทธิฤทธ เหทะลุผ่านหลังคาขึ้นไป บ, บนท้องฟ้ากลับวัดพระเจตวันเท้าศักกะก็กลับสู่สวรรค์มีพระภิกษุหลายรูปถามความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ารู้สึกโกรธไหมถามสัมมเนนสัมมเนนก็บอกว่าไม่โกรธครับพระภิกษุไม่เชื่อนําความขึ้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าสั ม, มเนนทั้งสี่รูปในโกหกและอวดอ้างตัวว่าเป็นอรหันต์ครับพระบรมศาสดา ก, ก็ตรัส รับรองคุณสมบัติของสามเณรแล้วก็ตรัสสอนพระภิกษุว่าธรรมดาพระขีณาสพเนี่ยย่อมจะไม่คิดแค้นต่อผู้ใดแม้ว่าผู้นั้นจะคิดแค้นก็ตามผู้ไม่คิดแค้นเคืองแม้ต่อคนที่คิดแค้นเคืองผู้วางเฉยเสียแล้วแม้ต่อคนผู้มุ่งร้ายผู้ไม่ถือมั่นแม้ต่อคนผู้ถือมั่นนั่นเป็นคุณสมบัติของพระขีณาสพ จากเรื่องของสองตายายซึ่งมีความเข้าใจว่าการทําบุญกับพระที่มีพันสามากจะได้บุญมากไม่ปรากฏหลักฐานมารับรองความเชื่อนี้แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะถึงยังไงก็คือการทําบุญนั่นแหละครับเรามาดูกันว่าสัมมเนนทั้งสี่รูปที่ว่าเป็นผู้บรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นใครกันบ้างเริ่มด้วยสัมเนนสังกิตจะพระอรหันต์ผู้เป็นยอดแห่งมิตร อรหันน้อยผู้กำพร้ามาตั้งแต่ยังเด็กมารดาเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคือเรื่องมีอยู่ว่าสมัยพุทธกาลมีลูกสาวของครอบครัวร่ำรวยตระกูลหนึ่งในกรุงสะวรถีนางได้ตั้งคันแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ให้กำเนิดทายาสืบสกุลเนื่องจากความเจ็บป่วยได้พรากชีวิตของนางไปเสียก่อนที่ทารกน้อยจะคลอดออกมา ญาติพี่น้องก็ทำชาปน ก, กิจโดยที่ไม่ได้เผาเอาเด็กออกจากท้องก่อนแต่ว่าให้เผาไปพร้อมๆกันเมื่อการเผาร่างของนางและลูกในท้องผ่านไประยะหนึ่งสปรเรอก็มาตรวจดูเพื่อเติมฟืนทุกส่วนถูกเผาจนเกือบจะหมดแล้วแต่ปรากฏว่าเนื้อบริเวณท้องยังคงอยู่สปรเรอก็เขี่ยก้อนเนื้อบริเวณท้องลงจากเชิงตะกอนแล้วก็ใช้เหลาเหล็กแทงให้เป็นรูสองสาแห่งจากนั้นก็โยนกลับเข้าไปในกองไฟเหมือนเดิม เคียร์ทานไฟมาเสร็จแล้วก็กลบไว้แล้วก็กลับบ้านวันรุ่งขึ้นสั ป, ปเหร่อมาที่เชิงตะกอนเพื่อจะตรวจดูความเรียบร้อยเพราะเข้าใจว่าไม่หมดแล้วแต่ปรากฏว่าเห็นทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนสั ป, ปเหร่อก็เกิดความแปลกใจมากเขาเห็นร่างกายแม่ถูกเผาจนสิ้นซากแต่เด็กทารกไม่เป็นอะไรเลยน่าอาศาัศจรรย์ใจเหลือเกินนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเนี่ยสั ป, ปเหร่อเขาคิดอย่างนั้นนะ ก็เลยอุ้มเอาเด็กทารกเข้าไปในหมู่บ้านให้หมอดูทํานายทายทักว่ามันจะดีหรือร้ายประการใดหมอดูก็ทํานายบอกว่าถ้าหากว่าทารกคนนี้ใช้ชีวิตเป็นคารวาสนะไม่ได้บวชได้เรียนอะไรเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยบรรดาเครือญาติของเขาตลอดเจ็ดชั่วสกุลนี่จะไม่มีความยากจนเลยแหละแต่ถ้าออกบวช เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีพระภิกษุห้าร้อยรูปเป็นบริวารแวดล้อมญาติพี่น้องเมื่อทราบข่าวว่าหมอดูทานายอย่างนี้ก็นำอาเด็กไปเลี้ยงโดยตั้งชื่อให้ว่าสังกจิจจะเหตุผลก็เพราะว่าตอนที่สั ป, ปรเรอเอาเหลาเหล็กแทงเพื่อจะให้ไหมไฟนี่แต่ปลายเหลาไปแทงหางตาของเขาแตกเหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในตานานได้กล่าวไว้ว่า สัตผู้บำเพ็ญบา ร, รมีเต็มรอบแล้วมีพบชาติเกิดเป็นครั้งสุดท้ายแม้ถูกเขาสุเมรุทับอยู่ก็จะไม่เสียชีวิตถ้ายังไม่บรรลุพระอระหันต์ดังนั้นทารกจึงเปรียบเสมือนแท่งทองคำที่อยู่ในกลีบดอกบัวแม้ว่าจะนอนอยู่บนฐานไฟก็ตามเมื่ออายุได้เจ็ดขวบสังกิจจะได้ฟังเรื่องราวในชีวิตของตัวเองจากคาพูดของคนอื่นที่เขาคุยกันจาก เพื่อนเด็กๆ ด, ด้วยกันลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีใครอยากจะคบอย่างหรักตัวการลกินนีแบบนี้เกิดมาก็ทำให้แม่ตายใช่คนอะไรเกิดมาจากเท่าทานท <c oughs> ุเรศก็คิดขึ้นมาว่าชีวิตมีเหตุเพศภัยถึงเพียงนี้การใช้ชีวิตเป็นคารวาดไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราบวช ด, ดีกว่า เมื่อเป็นความประสงค์ของเด็กญาติพี่น้องก็ไม่ขัดข้องแต่อย่างใดก็พากันไปขอบวชกับภาษาลีบุตรรับกรรมาฐานทำพิธีปลงผมไม่นานสังกิจจะก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาในขณะที่ปลงผมเสร็จพอดีเมื่อสังกิจจะบวชได้ไม่นานก็มีพระภิกษุกลุ่มหนึ่งหลังจากที่เรียนข้อวัดปฏิบัติจากพระพุทธเจ้าแล้วปรารถนาจะพากันเข้าไปทำความเพียรในป่า เมื่อพากันไปทูลลาพระพุทธองค์ก็ทรงแนะนำให้ไปลาพระสารีบุตรด้วยเมื่อพระภิกษุกลุ่มนั้นมากราบลาพระสารีบุตรก็เห็นเหตุการณ์ในอนาคตทุกอย่างว่าจะต้องมีเหตุมีเรื่องเกิดขึ้นกับภิกษุกลุ่มนี้ท่านก็เลยแนะนำให้พาสา ม, มเนรสังกิจจาไปด้วยแต่พระกลุ่มนั้นปฏิเสธเพราะว่ากลัวเป็นภาระแล้วก็ไม่เหมาะที่จะพาเด็กสามเาเนรไปอยู่ป่าเขาด้วยพระสารีบุตร เถระจึงบอกความจริงแก่เหล่าพระภิกษุให้ฟังว่าความกังวล น, นั้นไม่ได้เกิดเพราะสา ม, มนเณรเป็นเหตุแต่ความกังวลเกิดเพราะพวกท่านและสา ม, มนเณรรูปนี้แหละจะเป็นผู้จัดการแก้ไขระงับภัยทั้งหมดให้การบําเพ็ญเพียรของพวกท่านก็จักสมบูรณ์บริบูรณ์อ่าพระพุทธองค์จึงส่งพวกท่านมาที่นี่เมื่อเข้าใจอย่างนั้นแล้วเหล่าพระภิกษุจึงออกเดินทางพร้อมกับพาสา ม, มนเณรสังกิจจาไปด้วยจนมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึง่ง เมื่อชาวบ้านเห็นพระก็เกิดความเลื่อมใสก็นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านซึ่งชาวบ้านหวังว่าจะได้ถวายทานรักษาศีลเมื่อพระภิกษุรับนิมนต์ชาวบ้านก็จัดแจงที่พักเพื่ออำนวยความสะดวกทุกอย่างฝ่ายพระภิกษุก็ตั้งใจทำความเพียรกันอย่างเต็มที่ไม่มีการคลุกคลีหรือว่าอยู่รวมกันยกเว้นเวลาฉันเท่านั้นที่จะมารวมกันถ้าใครไม่สบายก็ให้ตีระฆังเป็นสัญญาณเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติทุกอย่าง จนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่พระภิกษุกลับจากบินธบาตกําลังเตรียมที่จะฉันพัะตาหารก็มีชายชรายากจนคนหนึ่งเดินมาหยุดยืนมองพระที่กําลังจะฉันพระภิกษุสอบถามชายชาราได้ความว่าเขาเป็นคนยากจนอาศัยอยู่กับลูกสาวแต่ตอนนี้เกิดความแห้งแล้งข้าวยากหมากแพงจึงคิดว่าจะเดินทางไปหาลูกสาวอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่หมู่บ้านอื่นเ อ, อโยมคงจะหิวมากใช่ไหมไปเด็ดใบไม้มาสิ เดี๋ยวอาตมาจะแบ่งอาหารให้พระภิณฑษุเห็นแล้วเกิดความสงสารก็แบ่งอาหารให้โดยการคลุกกับข้าวรวมกันซึ่งก็ทําแบบเดียวกับที่ท่านฉันหลังจากที่ชายชาราเขียนจายรายนี้ได้กินอาหารที่พระบิณษุแบ่งให้ก็เกิดความคิดว่าเออแล้วทําไมจะต้องไปที่อื่นด้วยเราทั้งๆ ท, ที่อยู่ตรงนี้ก็มีกินเราทํางานแทบตายทั้งวันยังไม่ได้กินดีอยู่ดีถึงเพียงนี้เลยฮะ ชายชาราก็สอบถามพระภิกษุถึงเรื่องราวต่างๆเมื่อเขาทราบแล้วก็แจ้งความประสงค์ที่จะขออยู่ปฏิบัติอุปถากรับใช้อาศัยเลี้ยงชีวิตตัวเองไปด้วยซึ่งพระภิกษุท่านก็ไม่ขัดข้องเมื่อชายชาราได้ที่พักพิงใหม่ก็ตั้งใจทําหน้าที่ตามที่ตัวประวรณาไว้พระภิกษุสงฆ์ก็ให้ความเมตตาเป็นอย่างยิ่งชายชาราทําอย่างนี้อยู่ประมาณสองเดือนก็เกิดความคิดถึงลูกสาวขึ้นมาก็ตัดสินใจจากไปโดยไม่บอกไม่กล่าวกับใคร เพราะกลัวว่าพระพิสุจะไม่อนุญาตก็เลยแอบหนีออกจากวัดไปคนเดียวเส้นทางที่เขาเดินไปนะ่ะมีกลุ่มโจรห้าร้อยคนดักจับคนมาฆ่าเพื่อบวงสวงเทวดาอยู่เมื่อชายชาราเดินไปถึงก็เลยถูกพวกโจรล้อมจับตัวเอาไว้พอ ร, รู้ว่าตัวเองกําลังจะถูกฆ่าเพื่อบูชายันชายชาราก็บอกนายข้าพเจ้าเป็นขอทานกินเศษอาหารน่ะถึงได้โตขึ้นมาได้ ขึ้นชื่อว่าคนแบบข้าพเจ้าเนี่ยมันมันเป็นการละกินีไม่เป็นมงคลอะไรหรอกพวกเร่ร่อนจันทานแต่ว่ามีพวกพระภิกษุที่ออกบวชบางองค์เนี่ยวันนะเป็นถึงวันนักสัตย์นะทำไมพวกนายไม่ไปจับเอาพระพวกนั้นมาฆ่าบูชายัญละ่ะเทวดาน่าจะยินดีมากนะดีกว่าที่จะเอาฆ่าที่ไปไปไปไ ป, ไปบูชายันเนี่ยมันสกรปรกก็เทวดาไม่ชอบหรอก ความสำนึกในบุญคุณที่พระสงฆ์เคยให้ความอุปการะแก่เขานี่ไม่มีเลยสักนิดคิดแต่จะรักษาชีวิตตัวเองให้รอดอย่างเดียวเท่านั้นพวกโจรได้ฟังเหตุผลก็เห็นดีเห็นงามไปด้วยชายชราก็อาสาเป็นคนนำทางพาไปจับพระสงฆ์กลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าสองเดือนที่อาศัยอยู่กับพระเนี่ยเขาย่อมรู้ความเป็นไปทางหนีที่ไร่ดีพอเขาพาโจรมาถึงวัดก็ให้หัวหน้าโจรตีระครัง พระภิกษุพร้อมกับสมณีสังกิตจากออกจากป่ามานั่งพร้อมหน้ากันสอบถามถึงเหตุที่ตีระครังหัวหน้าโจรก็แจ้งเรื่องราวให้ทั้งหมดให้พระภิกษุทราบเมื่อพยันตรายซึ่งเกิดจากคนที่ได้อุปการะไว้คือความตายคุกคามจะเอาชีวิตถึงเพียงนี้พระภิกษุทั้งหมดก็ไม่ได้ตําหนิหรือว่ากล่าวชายชราคนนั้นแต่อย่างใด หากแต่พระภิกษุผู้เป็นหัวหน้าขอรับการถูกฆ่าเพื่อบูชายัญแทนพระภิกษุทั้งหมดซึ่งพระทุกรูปก็พร้อมที่จะเสียสละชีวิตของตนเพื่อส่วนรวมในเรื่องนี้เช่นเดียวกันแต่สิ่งที่พระภิกษุทั้งหมดไม่คาดคิดก็คือสัมเนรสังกิต จ, จะที่อายุเพิ่งจะเจ็ดขวบเท่านั้นเองขออาสาเป็นผู้ถูกฆ่าบูชายัญเสียเองพระภิกษุทั้งหมดก็บอกว่าเนนพวกชั้นทั้งหมดแม้จะต้องตายก็จะต้องปกป้องเนนให้ได้ ภิกษุทั้งหมดเห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันเพราะตระหนักดีว่าสัมมเนนน้อยนี้เป็นสั ม, มเนนที่พระสารีบุตรฝากมาถ้ายกให้พวกโจรเอาไปฆ่าบูชายันก็จะต้องถูกติชินนินทาเป็นทุกข์เกาะกินใจไปชั่วชีวิตอยากจะหลีกพ้นเป็นตายร้ายดีแค่ไหนก็ให้ไปกระโจนไม่ได้แต่สุดท้ายพระภิกษุทั้งหมดกลับต้องยอมจำนนต่อเหตุผลน้องสั ม, มเนนท่านกอรับพวกท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมพระบรมศาสดาและพระอุปชากให้กระผมมากับพวกท่าน พระทรงเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ล่วงหน้าแล้วกระผมจะจัดการเรื่องนี้เองขอรับสำมเนีนสังกิต จ, จะแสดงความเคารพต่อพระภิกษุทั้งหมดแล้วก็กล่าวขอขมากรรมที่ล่วงเกินเสร็จแล้วก็เดินจากไปพร้อมกับพวกโจรเพื่อจะไปสู่แดนที่บูชายัญพระภิกษุทั้งหมดต่างโศกเศร้าสะอึกสะอื้นขอร้องหัวหน้าโจรโยมโยมตอนที่โยมจะบูชายัญนะ เด็กจะกลัวนะถ้าเห็นพวกท่านก่อไฟแล้วก็เสียมหลาวปูราดใบไม้ในพิธีกรรมอาตมาขอร้องอย่าทําอย่างนั้นให้สัมมเนนน้อยเห็นได้ไหมหลังจากพวกโจรพาสั ม, มเนนมาถึงที่บูชายัญของพวกตัวก็ไม่สนใจในคําขอร้องของพระภิกษุหรอกเมื่อตราเตรียมเสร็จก็หยิบดาบเดินเข้าไปหาสั ม, มเนนหมายจะตัดคอเอาเลือดไปเส้นเทวดาในขณะที่สั ม, มเนนนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้เห็นการ เตรียมการทุกอย่างของพวกโจรที่พวกโจรทำแต่ก็ไม่มีอาการคลั่นคลั่นคลามหวั่นไหวเลยแม้แต่สักนิดเดียวคงน้อมจิตเข้าฌานอย่างหนักแน่นมั่นคงหัวหน้าโจรทำพิธีเสร็จก็แขวงดาบไปรอบๆแล้วก็ฟันลงที่คอของสามเณรอย่างแรงแต่ปรากฏว่าคมดาบงอโค้งพับเข้าหากันโจรคิดว่าอาจจะเป็นเพราะฝีมือไม่ดีพอในการลงมือตัดคอสามเณรครั้งแรกก็ลงมือเป็นครั้งที่สอง คราวนี้พอฟันลงไปดาบก็ม้วนเหมือนใบตานร่นลงไปถึงด้ามจับเลยความจริงแม้มีใครเอาภูเขาสูเมรุมาโยนทับสมเณรในเวลานั้นก็ไม่สามารถจะทาให้สมเณรตายได้เลยนับประสาอะไรกับแค่ดาบเมื่อพวกโจรเห็นปฏิหารอย่างนั้นถึงสองครั้งก็ทำเอาถึงกับเข่าสุดเขานั่งลงกับพื้นดาบหลุดออกจากมือเสร็จแล้วก็คิดว่า ดาบของเราเนี่ยก่อนนี้ตัดได้แม้กระทั่งเสาหินตัดต่อไม้ตะเคียนไม่ต่างจากโยกด้วยเลยมาคราวนี้กลับงอมวนเหมือนใบตานขนาดดาบนี่มันไม่มีชีวิตจิตแต่กลับรู้ผิดชอบชั่วดีเราเองซึ่มีชีวิตเป็นมนุษย์มีจิตใจแต่กลับไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วโจรทั้งหมดจึงหมอบคลานเข้าไปกราบแทบเท้าสัมมาเนรสังกิจจาพร้อมกับบอกว่าเออท่านเนรขอรับ พวกกระผมเข้ามาในดงนี้เพื่อจะดักปล้นเอาทรัพย์สินผู้คนเป็นพันคนก็ตามพอเห็นโจรอย่างพวกกระผมแม้จะอยู่ไกลๆเป็นต้องอกสันหวันแขวนอ้าปากค้างพูดไม่ออกแต่ว่าสําหรับท่านนี่ความหวาดกลัวสะดุ้งสักนิดไม่ได้มีเลยหน้าตาผ่องใสดังทองคํากระผมขอทราบเหตุผลได้หรือไม่ขอรับสัมเณีนก็ออกจากฌานเสร็จแล้วก็กล่าวกับหัวหน้าโจรว่าโยมร่างกายของพระอระหันต์นะ เป็นเหมือนกับภาระที่วางไว้บนศรีรษะพระอระหันต์ไม่กลัวต่อการแตกดับของร่างกายหรอกกลับเป็นเรื่องยินดีเสดส็ซ้ำที่จะต้องตายโยมถ้าโยมไม่อยากมีทุกข์ทางใจก็ต้องไม่มีภาระให้เกิดความห่วงใยผู้ที่ละสังโยชดได้แล้วจะพ้นภัยทุกประการความอยากที่ลากจิตใจไปในอารมณ์ต่างๆนี่พระอระหันต์ท่านกาจัดหมดแล้ว ท่านเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างท่องแท้ความตายจึงไม่ใช่ภัยที่น่ากลัวแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นภาระที่ท่านปลงลงได้แล้วหลังจากที่หัวหน้าโจนได้ฟังคำสอนน้องสมมามเณรแล้วก็ทำให้เกิดความสำนึกผิดในอาชีพที่ทำก็หันไปดูลูกน้องทั้งห้าร้อยคนแล้วก็บอกเป็นนายว่าเขาจะเลิกอาชีพนี้แล้วถ้าหากใครมีแผนการอะไรในอนาคตที่คิดไว้ยอยากจะไปทาตามฝันก็ไปได้เลย เมื่อได้เห็นปาฏิหาริย์ที่มหัศจรรย์อย่างนั้นหัวหน้าโจรพร้อมกับลูกน้องก็ไม่คิดจะสร้างภาระใดๆอีกก็เลยขอบวชสามเณรก็เลยเอาดาบของโจรนั่นแหละตัดผมให้ตัดผ้าเย็บเป็นจีวรย้อมด้วยดินแดงให้โจรทั้งหมดห่มผ้าเข้ามารับศีลสิบเมื่อเฮร้ายผ่านไปได้ด้วยดีสามเณรก็นึกถึงความกังวลใจของพระภิกษุที่มีต่อตนเอง จึงพาลูกศิษย์ที่เป็นอดีตโจรทั้งห้าร้อยคนมุ่งหน้าออกจากป่าไปหาพระภิกษุเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นเห็นสัมมเนรกลับมาก็เบาใจสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งสัมมเนรก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วก็นิมนต์ให้พระภิกษุเหล่านั้นเร่งทําความเพียรตัวท่านเองกับบริวารจะไปเยี่ยมพระอุปชาแล้วก็เข้าเฝ้ า, าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทว่าการมีชีวิตที่ดํารงอยู่ในศีล แม้เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอาชีพโจนที่ทุศีลซึ่งมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีต่อไปเป็นเรื่องของสมเณรเรวตสสมเณรผู้มีวัยเพียงเจ็ดขวบชอบอยู่ป่าเป็นชีวิตจิตใจหลังจากบวชได้ไม่นานท่านก็เข้าไปอยู่ในป่าบำเพ็ญเพียรจนบรรลุ พร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษก็คือปฏิสัมพิทาสีท่านเป็นหนึ่งในสามเณรอรหันทั้งสี่รูปที่รับอาหารบินทบาทที่บ้านตายายซึ่งเจ้าของบ้านนิยมทําบุญกับพระแกะ่ๆพระหลวงตาเป็นชีวิตจิตใจเพราะเข้าใจว่าจะได้บุญมากสุดท้ายท่านจึงแสดงอภินิหารให้ปรากฏด้วยการเหาะกลับวัดเป็นสมเณรผู้มีอภิญญาฤทธิ์ไม่ธรรมดารูปหนึ่ง เรวตะเกิดในตระกูลพราหมณ์ชื่อวังคันตโยมแม่ชื่อสารีเรวตะนี่เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรและบรรดาลูกๆพาการทิ้งสมบัติจำนวนมหาศาลออกบวชกันหมดในตระกูลก็จึงเหลือเรวตะลูกชายคนสุดท้องเพียงคนเดียวที่จะต้องเป็นผู้รับมรดกแล้วก็สืบสกุลต่อไป เมื่อโยมพ่อโยมแม่เห็นท่าจะไม่ดีแล้วหากปล่อยให้เรวตะออกบวชอีกคนก็คงไม่ม e ีใครมารับมรดกสืบทอดวงตระกูลเป็นแน่ก็เลยวางแผนกันว่าจับเด็กชายเรวตะแต่งงานซะดีกว่าแม้ว่าในขณะนั้นเรวตะจะมีอายุเพียงเจ็ดขวบก็ตามในยุคนั้นสังคมยังรุ่งเรืองไปด้วยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั่วทุกสารทิศความละอายยังมีอยู่มาก จึงดูเหมือนว่าไม่ถูกไม่เหมาะไม่ควรเพราะว่ายังเด็กไร้เดียงสามากนะักยังขาดบุ ธ, ธิภาวะต่อการดำรงชีพแต่เพื่อดำรงวงตระกูลจึงจำเป็นจะต้องทำตามแผนที่วางไว้ด้วยการไปมั่นเด็กหญิงที่มีฐานะเท่าเทียมกันพร้อมกำหนดวันแต่งงานให้เร็วที่สุดงานบิวาถูกจัดขึ้นอย่างเอืกริกเด็กชายเรวตะในชุดเจ้าบ่าวที่มีความอลังการยังกเจ้าชาย พร้อมด้วยขบวนขันหมากก็มุ่งตรงไปยังบ้านเจ้าสาวซึ่งจัดพิธีรอต้อนรับอยู่เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลเริกบรรดาญาติพี่น้องจึงทำพิธีรดน้ำสังแล้วก็กล่าวคำอวยพรคู่บ่าวสาวให้อยู่ด้วยกันจนถือไม่เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองบรรดาญาติต่างก็สรรหาคาอวยพรที่เป็นมงคลต่างๆมากล่าวแต่ใครจะทราบว่ามีคาอวยพร บ, บางประโย ได้ไปสกิดใจเจ้าเ่าให้เกิดฉุกคิดอยากจะรู้ความหมายขึ้นมานะมียายคนหนึ่งให้พรบอกว่าขอให้พวกหนูจงเห็นธรรมที่ยายของเจ้าเห็นแล้วขอให้อายุมั่นขวัญยืนเหมือนยายนะจ๊ะหลังจากพิธีรถนำสังเสร็จลงหนูน้อยเรวตาก็ถามแม่ถึงความหมายของคำอวยพรนั้นว่าอะไรคือธรรมที่ยายคนนั้นเห็นแล้ว เรวตะหนูเห็นยายคนนั้นไหมเขามีอายุร้อยยี่สิบปีฟันหลุดผมงอกหนังเหี่ยวยน่นตกกระตามตัวหลังโกงเหมือนอย่าง ก, กับคันธนูนั่นแหละคือความหมายของคำอวยพรแม่อธิบายให้เรวตะฟังแม่ครับแล้วเด็กหญิงคนนี้จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ เ, เจ้าสาวเนี่ยฮะ ก็เป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นแหละลูกเอ้ยแม่ตอบตามความจริงเพราะว่าไม่เฉลียวใจว่าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคือขึ้นชื่ อ, อ, อว่าร่างกายถ้าแก่ตัวไปแล้ว่ลูกก็จะมีอาการผิดแปกแปลกไปโอ้มีหน้าเราบรรดาพี่ชายของเราถึงได้หนีไปบวชก็คงเห็นเป็นแบบนี้แนะ่แล้วเราจะอยู่ทําไมอ่ะแอบหนีไปบวชสะวันนี้เลยดีกว่า เมื่อหนูน้อยเรเวตะฟังคำตอบจากแม่ก็ทำให้ตัดสินใจหนีออกบวชทันทีเมื่อได้เวลาส่งคู่บ่าวสาวเข้าเรือนหอยาติก็อุ้มทั้งสองคนขึ้นขบวนรถแห่มุ่งหน้าสู่บ้านเจ้าบ่าวพอไปได้สักระยะหนึ่งเรเวตะก็ออกอุบายว่าท้องเสียขอไปทำธุระส่วนตัวและขอให้ขบวนมุ่งหน้าไปก่อนเสร็จแล้วจะตามไปที่หลังเขาทาอย่างนี้อยู่หลายครั้ง แต่ละครั้งก็ยืดเวลานานออกไปจนกระทั่งบรรดาญาติตายใจเขาก็แอ บ, บหลบหนีไปเมื่อหนีไปถึงวัดก็แจ้งความประสงค์จะขอบวชทันทีแต่เนื่องจากมีพระวินัยห้ามไว้ว่าถ้าผู้มาขอบวชหากพ่อแม่ไม่อนุญาตนี้ห้ามบวชให้ภิกษุใดบวชให้ภิกษุนั้นมีโทษหรือปรับอาบัติความจริงแล้วพระสารีบุตรผู้พี่ชายนี่ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าอยู่แล้ว จึงได้สั่งภิกษุไว้ว่าถ้าเด็กชายชื่อเรวตะมีความประสงค์จะขอบวชก็ให้เขาบวชได้เลยเพราะว่าท่านน่ะก็คือพ่อกับแม่ของเขาท่านว่าอย่างนั้นพ่อหนูน้อยเธอแต่งตัวเหมือนกับเจ้าชายหรือว่าเธอเป็นลูกของอมาตเราบวชให้เธอไม่ได้หรอกต้องให้พ่อแม่มาอนุญาตก่อนหนูน้อยเรวตะก็เรียนต่อพระภิกษุตามความจริงว่าตัวเขาเองเป็นน้องชายของพระสารีบุตร เมื่อทราบว่าหนูน้อยคนนี้เป็นใครแล้วก็ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองแล้วพระภิกษุจึงให้หนูน้อยปลดเครื่องอาภรณ์ออกแล้วก็ทำพิธีบวชให้จากนั้นก็ส่งข่าวไปบอกพระสารีบุตรเมื่อบวชแล้วสามเณรเรวตะได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติกับพระอุปชาอยู่สามเดือนแล้วก็พิจารณาว่าถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปนี่จะถูกรบกวนจากญาติพี่น้องการบวชก็จะไร้ประโยชน์มีแต่โทษเป็นแน่ จึงขออนุญาตพระอุปชาเพื่อออกทุดงหลบเข้าไปอยู่ในป่าไม้สแกรหรือว่าไม้ตะเคียนซึ่งเป็นที่สปายะห่างจากที่เดิมพอประมาณเนนน้อยบำเพ็ญเพียรจำพรรษาอยู่ในป่าลึกไม่นานก็ได้บรรลุพระอาหารหันต์พร้อมด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมพิธาทั้งสี่ข้อซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสติปัญญาที่แตกฉานในอัดในธรรมเมื่อวันปวารณาออกพรรษาเสร็จสิน้น สามเณรทราบว่าพระบรมศาสดาจะเสด็จมาเยี่ยมจึงเนรมิตวิหารจํานวนเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์แล้วก็เนรมิตรพระคันธกุตีที่ประทับกลางคืนแล้วก็ประทับกลางวันถวายแด่พระพุทธองค์นะที่อยู่ของตนอย่างสวยงามแต่ในถ้ำกลางของผู้ทรงศีลทรงธรรมก็ยังมีผู้ชอบตําหนิจนเป็นจริตนิสัยปะปนอยู่ด้วยเสมอแม้ในคณะนี้ก็เหมือนกัน มีพระภิกษุบางกลุ่มเห็นเสนาสนะมีความอลังการแทนที่จะชื่นชมในบารมีก็กลับพากันตําหนิว่าพระที่ก่อสร้างวัดได้อลังการขนาดนี้จะเอาเวลาที่ไหนไปทําความเพียรที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเยี่ยมก็เพราะเห็นแก่หน้าเนื่องจากเนรรูปนี้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเท่านั้นเองและพระภิกษุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะไม่ทราบความจริงว่าความอลังการนี้เกิดจากฤทธิ์ของเนร น, น้อยที่เป็นอรหรันต พระบรมศาสดาและภิกษุจำนวนห้าร้อยรูปพักอยู่ประมาณครึ่งเดือนทรงเห็นว่าหากประทับอยู่นานไปป่าแห่งนี้ก็จะพลุกพล่านสัมมาเนนก็จะอยู่ไม่ผาสุกเพราะว่าพระที่อยู่ป่าเป็นประจำนิยมต้องการความสงบจึงเสด็จไปพบสมมาเ น, นซึ่งกำลังนั่งพักอยู่เพียงลําพังเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาสมมาเนนเรวัตาก็ลุกขึ้นตอนรับพระศาสดา ก, ก็ตรัสถามว่าเรวตต สถานที่นี้มีสัตว์ร้ายเมื่อเธอได้ยินเสียงเสือเสียงช้างเป็นต้นที่ดุร้ายแล้วเธอจะทำยังไงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นธรรมดาเพราะความยินดีในการอยู่ป่าที่เกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ก็เพราะได้ฟังเสียงของสัตว์เหล่านั้นพระพุทธองค์จึงตรัสถึงอานิสงส์ของการอยู่ป่าด้วยพระคถาหร้พระคาถาให้สามเณฟัง ในวันรุ่งขึ้นก่อนที่พระบรมศาสดาจะเสด็จออกจากที่พักของสามเณรเรวตะเพื่อไปยังบ้านนางวิสาขาได้ทรงกระทำให้พวกภิกษุที่กล่าวโทษสามเณรให้หลงลืมไม้เท้ารองเท้าทนานน้ำมันและร่มเป็นต้นเมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นพากันกลับเข้าไปเอาบริขารของตนแม้ว่าจะย้อนไปตามเส้นทางเดิมแต่ว่าทางเดินที่เคยประดับตกแต่งสวยงามกลับกลายเป็นทางขรุขระเต็มไปด้วยขวากน้า ถึงกับโดนหนามต่ำเท้าและเมื่อนำบริขารออกมาได้แล้วถึงได้รู้ว่า อ, อสมเณีรูปนี้มีฤทธิ์นะความอลังการที่ทำขึ้นก็เพื่อสาการะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็พากันตรงไปยังบ้านนางวิสาขานางวิสาขามาหาอุบาสิกาได้เรียนถามพวกภิกสุที่ล่วงหน้ามาก่อนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญสถานที่อยู่ของสมณีเรวตะเป็นอย่างไรบ้าง พวกพิสูก็บอกว่าอ่าอุบาสิกาน่าจับใจเหลือเกินเสนาสนานะนี่มีส่วนเปรียบเหมือนกับสวนนันทวันและจิตตะละดาวันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นพระกลุ่มที่ลืมบริขารก็มาถึงนางมิสาขาก็ถามถึงที่อยู่ของสมเนนก็ได้รับคำตอบว่าโอ้อย่าถามเลยโยมอุบาสิกา สถานที่นั้นเป็นที่ไม่สมควรจะกล่าวมันเหมือนกับที่อยู่ของพวกเปรตสามเณรรูปนั้นอยู่ในสถานที่ซึ่งมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินครุขะแล้วก็ตอไม้เต็มไปหมดนางวิสาขาได้กราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุบางพวกพากันรินทาที่อยู่ของพระเรวตาเถระสถานที่อยู่นั้นเป็นอย่างไรดูก่อนวิสาขาที่อยู่ จะเป็นสถานที่รื่นรมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ว่าจิตของพระอริยะทั้งหลายย่อมยินดีในสถานที่ใดสถานที่นั้นแหละชื่อว่าสถานที่รื่นรมใจพระอรหันต์อยู่ในที่ใดจะเป็นบ้านก็าตามป่าก็าตามที่ลุ่มก็าตามที่ดอนก็าตามที่นั่นย่อมเป็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจและพระบรมศา ส, าสดาทรงยกย่องสามเณรเรวตะไว้ในตำแหน่งยอดกว่าภิกษุทั้งหลาย ในด้านผู้อยู่ป่าเป็นวัดย้อนอดีตไปถึงบุพกรรมของสามเณรเรวตะสมัยพระปฐุมมุตระพุทธเจ้าเนรน้อยเรวัะเกิดในเมืองหงษสวดีมีอาชีพรับย้างขับเรือข้ามฝากในแม่น้ำคงคาครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาพร้อมกับพระภิกษุแสนรูปสเสด็จาริกมาถึงท่าเรือที่ท่านอยู่พอดีท่านก็คิดว่าเออเป็นบุญของเราแล้วคราวนี้ กว่าจะได้พบพระพุทธเจ้าเนะี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเหมาะพอดีเลยเราตั้งใจทำความดีมานานแล้วจากนั้นก็ลงมือประดับตกแต่งเรืออย่างงดงามอลังการเมื่อเห็นว่าเหมาะสมก็เข้าไปกราบนิมนต์พระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระภิกษุแสนรูปเสด็จข้ามฝากลำดับนั้นเมื่อเห็นพระบรมศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตาแหน่งยอดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าเป็นวัด ท่านจึงเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาทันทีแล้วก็คิดว่าเราจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันเพื่อให้ความปรารถนาสำเร็จท่านก็ลงมือขวนขวายทาบุญตลอดจากนั้นก็ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอตั้งความปรารถนาขอให้เป็นยอดของพระภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเถิด พระบรมศาสดาก็ทรงพยากรณ์ว่าจักสำเร็จในศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าชีวิตท่านได้เวียนว่ายายเกิดในภพน้อยใหญ่เพื่อสร้างบารมีเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีความรุ่งเรืองดุจ ด, ดังอาทิตย์อุทัยด้วยอำนาจบารมีปกครองแผ่นดินอนณาเขตกว้างไกลขั้นไปเกิดในเทวโลกก็มีความรื่องมเบิกบานอยู่บนเทวโลกในวิมานที่สวยงาม ประดับด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้านี้สมณเนรได้อาศัยบารมีที่สั่งสมมาเต็มบริบูรณ์แล้วเป็นเหตุชักนำให้บวชประกอบความเพียรจนสิ้นอาสวะพร้อมด้วยคุณสมบัติวิเศษคือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8แล้วก็อภิญยาหและเป็นยอดแห่งพิสุนทั้งหลายผู้อยู่ป่าเป็นวัด ที่นี้ก็มาถึงสา ม, มนเณรโสปากะซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์น้อยเจ้าปัญญาชีวิตเรานี่เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราเลือกที่จะเป็นได้วลีนี้น่าจะตรงกับชีวิตของพระอรหันต์รูปนี้มากเพราะว่าเมื่อแรกเริ่มนั้นท่านได้ถือปฏิสนธิในคันของสตรีนางหนึ่งในนครสาวัตถีซึ่งครอบครัวมีฐานะยากจนมาก เนื่องจากฐานะยากจนต้องเอาชีวิตรอดไปวันๆไม่มีเงินที่จะซื้อของมาบำรุงลูกในคันเมื่อครบกำหนดคลอดก็เลยเคลอดยากจนทำให้แม่เนี่เจ็บปวดจนเป็นลมสลบไปในตำนานไม่ได้ระบุไว้ว่าเด็กคลอดออกมาอย่างไรแต่ว่าจากการสันนิษฐานของัรรดา ญ, ญาติพี่น้องซึ่งเข้าใจว่นานางตายแล้วจึงจัดพิธีศพให้ตามฐานะพากันหามศพไปทิ้งไว้ป่าช้า แล้วนางก็คงจะคลอดที่นั่นดังนั้นชื่อโสปากะซึ่งแปลว่าผู้เกิดในป่าช้าจึงยังไม่ปรากฏที่มาชัดเจนแต่ว่าชีวิตท่านเกี่ยวข้องกับป่าช้าแม้แต่คำสอนที่ท่านอบรมลูกศิษย์ก็แนะนำให้ไปปฏิบัติธรรมถือธุดงอยู่ในป่าช้าเป็นวัดจุดเปลี่ยนในชีวิตของท่านก็เริ่มต้นที่ป่าช้าเหมือนกัน ตามตำนานกล่าวว่าหลังจากที่ท่านเกิดได้เพียงแค่สี่เดือนบิดาของท่านก็เสียชีวิตและมารดาท่านมีสามีใหม่ซึ่งสามีก็เคยมีภรรยามาแล้วแล้วก็มีลูกติดมาอยู่ด้วยพออายุย่างเข้าเจ็ดขวบท่านเกิดมีเรื่องทะเลาะกับลูกติดของพ่อเลี้ยงด้วยความที่พ่อเลี้ยงเป็นคนโมโหร้ายประกอบกับท่านเป็น เพียงแค่ลูกเลี้ยงทำอะไรก็มักจะผิดเสมอก็เลยถูกพ่อเลี้ยงจับไปผูกทิ้งไว้ให้อยู่กับซากศพในป่าช้าพอฟ้ามืดไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องกลัวกันทั้งนั้นล่ละอีกทั้งเป็นป่าช้าผีดิบก็เลยเห็นซากศพนอนเกลื่อนกลาดซ้ำยังมีสัตว์มาคอยกัดกินซากศพมีสุนัขจิ้งจอกมาหอนหวยหวนชวนให้สยอง เด็กน้อยโสภากะส่งเสียงร้องไห้ขอให้คนช่วยดังลั่นป่าแล้วก็ดินรนสุดแรงเกิดแต่ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากพันธนาการได้เสียงร้องกลับเป็นตัวกระตุ้นเรียกให้ผูงสุนัขจิ่งจอกวิ่งเข้ามาหาท่านก็ได้แต่รำพึงอยู่คนเดียวว่าชีวิตอย่างเราใครจะคบเป็นญาติไม่มีใครให้อภัยอยู่แล้วต้องถูกผูกไว้ให้อยู่กลางป่าช้าแบบนี้ เป็นเวลาเดียว ก, กันกับที่พระบรมศาสด า, สดาทรงตรวจดูเวไนยสัตย์ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์อันพลงอยู่ภายในใจของเด็กก็ทรงแผ่รัศมีสว่างสวายไปเหมือนกับพุทธองค์ประทับอยู่ตรงหน้าทำให้โสปากะได้สติพระพุทธองค์ตรัสว่ามาเถอะโสปากะอย่ากลัวเลยจงมองดูตถาคตเราจะยังเธอให้ข้ามพ้นไป ดุจพระจันทร์พ้นจากปากราหูฉับพลันที่พระสุรเสียงเงียบลงเครื่องพันธนาการก็หลุดออกเองเมื่อสโสปากะรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าพระคันทกุตีแล้วก็บรรลุพระโสดาบันในเวลานั้นหลังจากที่มารดาของท่านกลับมาบ้านไม่เห็นลูกชายก็ถามสามีแต่ผู้เป็นสามีก็อั้มอึ้งไม่บอกความจริงนางพยายามตามหาแล้วก็ตะโกนเรียกลูกชายตามที่ต่างๆ เสร็จแล้วนางก็ฉุกคิดขึ้นในใจว่าเขาเล่าลือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันถ้าอย่างนั้นเราจะไปเข้าเฝ้าทูลถามว่าตอนนี้ลูกของเราอยู่ที่ไหนนางก็ตรงไปวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระบรมศาสดาทรงปกปิดลูกของนางไว้ก่อนด้วยฤทธิ์นางจึงทูลถามมาลูกชายของนางอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรพระบรมศาสดา ก, ก็ตรัสว่าบุตรก็ต้านทานไม่ได้ บิดามารดาญาติพี่น้องก็ต้านทานไม่ได้ใครๆก็ต้านไม่ได้ถ้าความตายมาถึงพอนางได้ฟังธรรมนั้นจบลงก็บรุโสดาบันส่วนโสปากะได้บรรลุพระอาหารหันต์เป็นผู้ทรงปฏิสัมพิธาสี่แล้วก็อภิญยาหกพระบรมศาสดาทรงคลายฤทธิ์ฝ่ายมารดาได้เห็นบุตรก็เบาใจแล้วก็อนุญาตให้โสปากะออกบวชได้ วันหนึ่งสามนเณรโสปากะได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ในร่มเงาแห่งพระคันทกุทีท่านถวายบังคมแล้วก็จงกรมตามเสด็จในขณะที่เดินจงกรมตามกันไปพระพุทธองค์ตรัสถามปัญหากับสามนเณรว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งสามนเณรตอบว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองสามนเณรตอบว่า นามและรูปพระพุธออะ ท, ท, ท, ท, ทพพธองค์ถามว่าอะไรเอย่ยชื่อว่า 4. สามสามเณรตอบว่าเวทนาส 4. คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอย่ยชื่อว่าสสามเณรตอบว่าอริยสัตสีคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้า สมณเณรตอบว่าอุปาทานขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหสมณเณรตอบว่าอายตนาภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า7จ็สมณเณรตอบว่าโพชฌงเจ็คือสติธรรมวิจยะเวริยะ ปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบขาพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า8สมมเนินตอบว่าอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิพระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า9สัมเนนตอบว่าสัตตวะเก้า คือที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกที่ยังคล่องอยู่คือกามโลกได้แก ah ่เทวโลกมนุษโลกอบายโลกและที่อยู่อาศัยของพรหมผู้สาเร็จรูปประชานคือพรหมสีที่อยู่อาศัยของอรูปปรพรมผู้สาเร็จรูปประชันคืออรูปปรพรมสีรวมทั้งสิ้นเป็น9เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกส่วนพระขีนาศพเจ้าทั้งหลายย่อมพ้นจากที่อยู่ของสัตว์ ไม่ต้องอยู่ในเก้าที่นี้พระพุทธองค์ถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่า 10. สิบสามเณรตอบว่าท่านผู้ประกอบด้วยองค์สิบเรียกว่าพระอาหารหันต์อันประกอบด้วยมรคมีองค์แปดในอริยมรรคและเพิ่มสัมมาญาณเป็นองค์ที่เก้าและสัมมาวิมุตติเป็นองค์ที่สิบพระบรมศา ส, าสดาทรงมีพระหฤิทา ย, ยินดียิ่งปัญหาที่ทรงถามสมเณ น, นสามารถทูลแก้ได้ทั้งหมด พระองค์ประธานสาธุการต่อการแก้ปัญหาทุกๆข้อและทรงยกย่องว่าเธอแก้ปัญหาทัดเทียมกับสัพพัญยุตยานของเราการวิสันาแบบนี้จงเป็นการอุปสมบทของเธอเมื่อสั ม, มนเณรโสปากะแก้ปัญหาจบลงพระบรมศ า, ศาสดาก็ประทานการอุปสมบทเป็นพระภิกษุแก่ท่านในขณะที่มีอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้น ด้วยการถามตอบปัญหาและเดินจงกรมไปด้วยการอุปสมบทนี้เรียกว่าปัญหาพยากรณ์ประสัมปทาสมณเณรโสปากะจากเด็กกรรมพรายากจนถูกทารุณกรรมวันนี้ท่านได้เป็นพระอาหารหันต์โดยสมบูรณ์ด้วยวัยเพียงแค่เจ็ดขวบในอดีตชาติครั้งหนึ่งโสปากะเคยเกิดเป็นพรม ไม่ปราถนาจะครองเรือนก็ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตในป่าได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้านามว่าสิท ธ, ธัตถะพระศาสดาทรงทราบวดาบทนั้นใกล้จะมรณะแล้วจึงได้เสด็จไปโปรดจนมีจิตเลื่อมใสและเพื่อเป็นพุทธบูชาดาบทจึงได้ตกแต่งอาสนะดอกไม้ถวายอย่างยิ่งใหญ่พระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วแสดงอณิจจลักษณะแล้วก็หาหายไปบนห้องฟ้า ซึ่งดาบทก็ยืนมองด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งดาบทนั้นละการยึดถือว่าเที่ยงที่ตนเคยถือในการก่อนแล้วตั้งอ น, นิจจสัญญาไว้ในใจพอมรณะลงก็ได้ไปเกิดในเทวโลกท่านเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับทุกคนแต่ด้วยผลที่ถวายดอกไม้ทำให้ท่านไม่ไปเกิดในทุกขติภูมิเลยมาชาตินี้จึงมาเกิดเป็นเนนน้อยโสปากะ บุญเก่าที่ทำไว้สมัยเป็นเรือีก็ช่วยหนุนส่งให้โสปากะบรรุเป็นพระอรหรันตั้งแต่วัยเพียงเจ็ดขวบเท่านั้นในตำนานของพระอรหันต์เจ็ดขวบได้กล่าวถึงสามเณรจุละสุมนณะพระอรหันต์น้อยผู้สยบพยานาะคว่าในสมัยพุทธกาลณหมู่บ้านมุนทะนิคม ตั้งอยู่ใกล้เชิงเขามีครอบครัวหนึ่งชื่อว่ามหามุญทะเขามีบุตรสองคนคือมหาสุมนณะคนพี่กับจูละสุมนณะคนน้องวันหนึ่งในฤดูฝนใกล้เข้าวรรษาอุบาสกผู้เป็นพ่อกำลังทาธุระอยู่หน้าบ้านปรากฏมีพระภิกษุเหาะลงมาที่หน้าบ้านด้วยความคุ้นเคยก็จำได้ว่าเป็นพระอุณรุต ก็บอกลูกๆให้รีบนิมนต์ท่านเข้าไปในบ้านก่อนที่จะมีใครนิมนต์ไปที่อื่นเมื่อนิมนต์พระเถระเข้าไปในบ้านก็จัดเตรียมอาหารถวายอย่างนอบน้อมหลังจากที่ท่านฉันเสร็จอุบาสกเห็นว่าเป็นฤดูการใกล้เข้าพรรษาแล้วจึงนิมนต์ให้จำพรรษาอยู่บนภูเขาใกล้ๆบ้านเพื่อครอบครัวตนจะได้ถวายการอุปถักเมื่อออกพรรษาแล้วพระเถระจะจาริกไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาอุบาสกจึงถวายจตุปัจจัย ปรากฏว่าท่านไม่รับวัตถุแต่ท่านต้องการมีสัมมเนนไว้อุปถาคอุบาสกเห็นเป็นโอกาสดีจึงจะให้ลูกชายคนโตบวชเป็นสัมมเนนแต่พระเถระขอเปลี่ยนเป็นลูกชายคนเล็กแทนอุบาสกก็ไม่ขัดจุละสุมานณะลูกชายก็ยินดีพระอนุรุทธะท่านจึงทาพิธีบวชให้แล้วก็เพียงแค่ปลงผมเสร็จเท่านั้นเด็กน้อยก็สาเร็จเป็นพระอรหรันต หลังจากที่บัพพชาแล้วก็พักอยู่ที่นั่นในประมาณครึ่งเดือนจึงอำลาญาติญาติเพื่อจะไปเข้าว้าพระบรมศาสดาสามเณรและพระอุปชาเหาะจากหมู่บ้านเข้าไปพักในกระท่อมกลางป่าพอตกกลางคืนพระอนุรุทธะเดินจงกรมอยู่ปรากฏว่าเกิดโรคลมเสียดแทงขึ้นในท้องท่านสามเณรจึงเข้าไปเรียนถามถึงยารักษาโรคก็ทราบว่าถ้าได้ฉันน้ำจากสระอนนดาตก็จะหายไปเองสามเณรก็เหาะเพื่อไปเอาน้ำมา พระเถระแนะว่าให้บอกกับนาคปันท ก, กะในสะอโนดาดเพราะว่ารู้จักท่านดีถึงการนำน้ำไปประกอบยาพอดีวันนั้นนาคราชกำลังเล่นน้ำพร้อมกับนางสนมนางรำเต็มสะทันทีที่เห็นส ม, มเนินเหาะมาก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทันทีเอสมณะหัวโลนพวกนี้เอาฝุ่นที่เท้ามาโปรยลงบนหัวเราสงสัยมาเอาน้ำดื่มในสะอโนดาดแน่เราไม่ให้หรอก ว่าแล้วก็แผ่พังพานปิดสะไว้เหมือนกับเอาถาดใบใหญ่ปิดหม้อข้าวสมณเณรเห็นหนาคราชทําอย่างนั้นก็รู้ทันทีว่านาคราชไม่พอใจที่ตัวมาเอาน้ําดื่มก็บอกความประสงค์ว่าที่มาเนี่ยเพียงแค่ต้องการเอาน้ําไปประกอบเป็นยาเท่านั้นแต่นาคราชกลับบอกให้เนรไปเอาน้ําในแม่น้ําคงคาที่ไหลลงมาหาสมุทรแทนการเจราจาระหว่างสมณเณรกับนาคราชผ่านไปนานก็ยังไม่มีทีท่าว่านาคราชจะยอมให้ สามเณรเห็นว่าท่าทีไม่เป็นมิตรแข็งกระด้างแบบนี้จําเป็นจะต้องแสดงบางอย่างให้รู้ตัวบ้างแล้วก็เลยบอกว่าอาตมามีความจําเป็นจะต้องเอาน้ําดื่มไปให้ได้ถ้าท่านมีเรี่ยวแรงมีพลังกาลังพอท่านก็จงขัดขวางเราไว้เถอะพอหน้าคราชได้ยินคําพูดของสามเณรน้อยก็โกรธท้าทายทันทีสามเณรฮอเออเข้าใจพูดเนี่ยชอบใจชอบใจคําพูด ถ้าหากว่าท่านมีความกล้าหาญอย่างลูกผู้ชายจริงเอาเลยเชิญมาเอาน้ํานี้ไปเลยสามมเณรกล่าวถึงสามครั้งนาคราชก็ท้าทายถึงสามครั้งเช่นเดียวกันสัมมเณรก็ไข้ครวญเห็นว่าการประลองริตครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้ประกาศคุณแห่งพระพุทธศาสนาให้กว้างไกลในหมู่เทพเทวดาควรที่เราจะไปบอกกล่าวเทวดาทุกหมู่เหล่ามาเป็นสัตว์ขีพยานในการประลองครั้งนี้ เมื่อคิดเช่นนั้นสามเนนก็หายวับไปบอกเล่าวเทพเทวดาทุกชั้นพ้าเพียงชั่วลัดนิ้วมือก็สามารถบอกกล่าวครบทุกชั้นสัมเนนกล่าวและรับคําของนาคราชถึงสามครั้งแล้วทันใดนั้นร่างของเนนน้อยที่ยืนอยู่บนอากาศก็กลับกลายร่างเป็นร่างพรหมทั้งสูงใหญ่ประมาณสิบสองโยตพุ่งลงมาจากอากาศเหยียบลงที่พังพานของนาคราชกดหัวจนหน้าคว่ำลงทันที เมื่อสัมมาเนนเหยียบลงไปพังพานก็ดูเล็กเท่าทัพพีเมื่อเทียบกับเท้าของสัมมาเนนสายน้ำประมาณเท่าลําตาลพุ่งขึ้นไปบนท้องป้าสัมมาเนนก็เอาหม้อรองรับน้ําที่พุ่งขึ้นมาจนเต็มหม้อแล้วหอกลับไปหาพระอุนรุตเหล่าเทพทุกชั้นป้าที่มาเป็นสักขีพยานและเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ก็พากันสาธุการขึ้นสามครั้งเมื่อนาคราชได้ยินเสียงเทพสาธุการลั่นทั่วบริเวณอย่างนั้นก็รู้สึกอับอายแล้วก็โกรธมาก ในตาแดงกำก็คิดเครืองแค้นในใจว่าไอเจ้านักบวชน้อยนี่มันโอหังนักกล้าทำให้เราเสียหน้าต่อหน้าเราทิวดาถ้าจับได้นะ่จะเอามือสอดเข้ามาในปากแล้วขยี้หัวใจให้แหลกคามือเลยหรือไม่ก็จับเท้าเหวี่ยงข้ามทะเลไปเลยเมื่อคิดแค้นอย่างนั้นก็เหาะตามสา ม, มเณรไปแต่ก็ไม่สามารถจะตามสา ม, มเณรได้ทันสา ม, มเณรมาถึงที่พักแล้วเข้าไปถวายน้าดื่มแก่พระอุปชา พาญนานาคราชตามมาถึงก็ฟ้องขึ้นว่าพระคุณเจ้าเอานืรุษทะผู้เจริญน้ำนั้นเป็นน้ำที่สัมเนนขโมยมาท่านจงอย่าดื่มนะทําไ้งั้นแล้วศีลท่านจกวิบัตินะพระเถระทราบว่าสัมมเนนผู้เป็นอรหันต์แล้วจะไม่กล่าวคําเท็จจึงฉันน้ําแล้วอาการอาภาษของท่านก็สงบลงทันทีลําดับนั้นนาค ร, ราชก็ฟ้องพระเถระถึงเรื่องที่สัมเนนเรียกประชุมเหล่าเทพแล้วทําให้ตัวเกิดความอับอาย จนเกิดความแค้นคิดจะฆ่าสั ม, มเนนให้ตายเสียได้พระอุณาลุศก็กล่าวตักเตือนว่ามหานาคราชสัมมเนนมีอนุภาพมากท่านเอาชนะสั ม, มเนนไม่ได้หรอกท่านควรจะขอขมาสั ม, มเนนแล้วกลับไปเสเถอะความจริงนาคราชก็พอจะรู้ฤทธเดชของสั ม, มเนนอยู่บ้างแล้วและด้วยความเคารพยำเกรงในพระอุณาลุศจึงยอมขมาต่อสั ม, มเนนและก็ปรารณาตนรับใช้ เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปพระเถระและสมเณรจึงเดินทางไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดามีพระภิกษุหลายรูปมาต้อนรับพอเหล่าภิกษุเห็นสมณเณรน่ารักน่าเอ็นดูมีภิกษุบางพวกก็จับศรีรษะดึงหูดึงแขนพลางขย่าวพูดหยอกล้อว่าไม่คิดอยากจะศึกบางเลอเนนน้อยพระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นกิริยาที่ภิกษุทำแล้วก็ทรงดำริว่า การกระทําของภิกษุเหล่านี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งการล่วงเกินสัมมเนนเป็นดุจจับคออสรพิษพวกพิสษุไม่รู้ถึงอนุภาพของสัมมเนนวันนี้ควรประกาศเกียรติคุณของสัมมเนนของอาให้พระภิกษุได้เห็นพระบรมศาสดาทรงปฏิสันฐานกับพระอุณรุตและก็สามมเนนแล้วก็จัดเรียกพระอานนท์เข้ามารับทราบถึงพุทธประสงค์ที่จะทรงใช้น้ําในสาอนุดาษเพื่อล้างพระบาท แต่ต้องให้สามเณรเท่านั้นไปเอาน้ํามาถวายซึ่งเป็นกุศโลบายในการที่จะประกาศเกียรติคุณสามเณรพระอานนท์เรียกสามเณรทั้งหมดมาประชุมกันในบรรดาสามเณรทั้งหมดจุฬสุมาณะสามเณรในอายุน้อยที่สุดและบวชใหม่พระเถระจึงแจ้งพุทธประสงค์ให้ทราบและหาผู้อาสาความจริงในบรรดาสามเณรที่มาประชุมนั้นสําเร็จอรหันหลายรูปแต่ท่านทราบว่าเรื่องนี้พระบรมศาสดาจะประกาศคุณของ จุฬสุมณสาัมมเนนก็พากันนิ่งลำดับนั้นจุลสุมณสามาเนนก็รับอาสาไปเอาน้ําจากสานโนดาดมาถวายด้วยหม้อทองคําขนาดใหญ่บรรจุน้ําได้หกสถังที่นางวิสาขาสร้างถวายไว้สัมาเนนจับถังใบใหญ่ด้วยปลายนิ้วก้อยอย่างง่ายดายพุ่งหอกขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วมุ่งหน้าสู่สานโนดัดนัคาราชเห็นสามาเนนมาก็รีบออกไปต้อนรับและอาสาจะเอาน้ําไปส่งให้ แต่สัมเนนให้เหตุผลว่าธุระครั้งนี้ท่านเป็นผู้รับผิด ช, ชอบจึงต้องทำให้จบโดยตัวท่านเองเมื่อบรรจูน้ำเต็มถังแล้วก็เหาะขึ้นไปบนท้องฟ้าพระบรมศาสดาประทับอยู่ท่ามกลางหมู่ภิกษุสงฆ์ตรัสเรียกให้พวกภิกษุดูสัมเนนที่กำลังมาด้วยลีลาดุดพญาหงบนท้องฟ้าเมื่อสัมมเนนมาถึงก็วางน้าลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาพระองค์ก็ตรัสถามว่าจุฬสุมนาะ เธอมีอายุได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดขวบพระเจ้าค่าจุลสสมณะตั้งแต่วันนี้เธอจงเป็นภิกษุเถิดพระบรมศาสดาได้ประทานการอุปสมบทแก่สามเณรเมื่อความสามารถและคุณธรรมของสามเณรปรากฏกระจ่างแก่พระภิกษุก็พากันแปลกใจก็จับกลุ่มวิพาธวิจารกันว่าเอออัศาจารรย์เนาะอนุภาพของสามเณร น, น้อยอายุแค่เจ็ดขวบยังเป็นเด็กตัวเล็ก พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าในศาสนาของเราบุคคลแม้เป็นเด็กปฏิบัติชอบแล้วภาคเพียรอยู่ย่อมได้สมบัติที่น่าอัศจรรย์พระธรรมข้อนี้ค่อนข้างตอกย้ำชัดเจนกับความเชื่อของคนในปัจจุบันที่มักคิดว่าจะรีบเข้าไปหาธรรมกันทำไมตั้งแต่ยังเด็กไม่ใช่เวลาเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แก่ตัวแล้วค่อยเข้าวัดความจริงเรื่องของโลกกับธรรมเป็นเรื่องเดียวกัน ถ้ามีธรรมสามารถรักษาใจให้สว่างสดใสขึ้นได้ย่อมเกื้อนหนุนต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกใครมีความสุขสบายปราศจากโทษได้ทำไมจะต้องรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมีความสุขอดีตชาติของท่านคือก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในชาตินั้นท่านมีความผูกพันกับพระอุณุทธ์มาโดยตลอดเพียงแต่ผลัดกันเป็นเจ้านายลูกน้อง มีชาติหนึ่งสุมาณะสามเณรเกิดเป็นคนร่ำรวยพระอุณรุธเกิดเป็นลูกจ้างมีฐานะยากจนวันหนึ่งลูกจ้างคนนี้ออกจากบ้านไปแบกหญ้าตั้งแต่เช้าพอดีเป็นวันครบกําหนดที่พระปัจเจกับพุทธเจ้าจะออกจากนิโรธสมาบัติและท่านก็เห็นว่าคนแบกหญ้าคนนี้มีศรัทธาท่านก็เลยหายตัวจากภูเขามาปรากฏตัวต่อหน้าเขาในวินาทีนั้นเขาก็ได้ถวายทานกับพระปัจเจกับพุทธเจ้าซึ่งเป็นเวลาพอดีกับที่เศรษฐีกลับมาจากทำบุญ ได้ยินเสียงเทวดาที่อยู่ที่บ้านสารเสริญให้สาธุการสามครั้งเศรษฐีแปลกใจก็เลยถามเทวดาว่าเราให้ทานมาตั้งนานในท่านเพิ่งเห็นเหรอพอได้รู้ความจริงว่าเทวดาไม่ได้สารเสริญตนแต่ว่ายินดีในทานที่คนแบกย่าถวายสร้างความอยากรู้อยากเห็นให้กับเศรษฐีเป็นอย่างยิ่งเมื่อไปสอบถามลูกจ้างจนได้ความกระจ่างก็เกิดความคิดอยากจะได้บุญขึ้นมาจึงขอซื้อ แต่ว่าสุดท้ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็ตกลงแบ่งบุญกันเศรษฐีในครั้งนั้นก็คือสามเณรจุละสุมนณะส่วนลูกจ้างก็คือพระอุณรุทธเทระนี่เอง